ภิกษุหนึ่งรูปกับเครือันตหนุ่มสองคนลงไปนั่งในเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายหล่อผู้ทาหน้านที่เป็นคนขับและเป็นลูกชายเจ้าของเรือก็พานาวาน้อยแล่นล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาไบ่หน้าไปทางบางซ้ายจากบางซ้ายก็จะตรงไปบ้านแผนจุดหมายคือบ้านไผ่กองดินจังหวัดสุพรรณบุรี ามที่ท่านสมภารจ้างวานมาลุงพี่นั่งให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวผมจะพาเหาะไปจนถึงไผ่กองดินเลยเที่ยวคนขับร้องตะโกนมาจากท้ายเรือไปแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเหาะว่าแต่ว่าเองสามคนกินข้าวเช้ากันมาเรียบร้อยหรือ ย, อยังถ้ายังจะได้แวะกินที่บางซ้าย พระหนุ่มถามอย่างอาทรท่านถือคติกองทัพเดินได้ด้วยท้องเรียบร้อยแล้วครับคนทั้งสามตอบเป็นเสียงเดียวกันแล้วหลุงพี่ล่ะครับชันเช้าหรือ ย, ยังนายเที่ยวซึ่งนั่งถัดจากท่านถามขึ้นข้าก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะันเสร็จพวกเอิงก็มาตามพอดีแล้วนี่จะถึงกี่โมงละ่ะ ท่านถามนายเที่ยวจึงตะโกนถามนายหล่อไอล้ลอลุงพี่ท่านอยากรู้ว่าจะถึงกี่โมงถ้าไม่แวะเรี่อยวไรตามทางก็คงถึงก่อนเพลงนแต่ถ้าแวะข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนายชานน้องชายนายเที่ยวจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าลุงพี่เราตรงไปบ้านภัยกองดินก่อนขากลับค่อยแวะเรี่อยอรตามรายทาง ลวงพี่จะได้ไปทันฉันเพนที่นั่นดีครับผมเห็นด้วยกับไอชานมันตกลงผมจะพาเหาะไปนะครับนายหล่ อ, อยังยืนยันที่จะไปแบบเหาะไปธรรมดาแบบหลวงพี่ว่าเถอะขืนเหาะข้ากลัวจะตกลงมาตายเสียก่อนที่จะถึงนายชานนึกวัดเสียวจึงอ้างหลวงพี่พระเจริญจึงตัดสินว่าเร่งให้เร็วกว่านี้ได้แต่อย่าให้ถึงกับเหาะเลย คนที่เขาผ่านไปผ่านมาจะตำหนิติเตียนเอาได้นึกว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าข้านุ่งห่มชุดคารวาสแบบพวกเองก็จะไม่ขัดเลยพระหนุ่มถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงครับหลวงพี่เขาเร่งเครื่องให้เรือลั่นเร็วขึ้นขับอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว เกือบสิบโมงเช้านายหล่อก็พาเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสารหนึ่งรูป ก, กับสองคนมาถึงบ้านผ่กองดินเขาลดความเร็วลงแล้วพูดขึ้นว่าลุงพี่เราเริ่มเรื่อไรตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันท่านหันมาบอกกับนายเชี่ยวและนายชานว่าเอ็งสองคนลงมือเรื่อไรได้เลย หลวงพี่นำสิครับผมเป็นเครือหัดต้องเป็นพูดตามเฮ็นนาข้าให้เองสองคนเป็นผู้นำบอกตามตรงว่าข้ารู้สึกอายตั้งแต่บวชมายังไม่เคยเรียอะไรใครสักทีเองสองคนว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจข้าหลวงพี่ผมก็บอกตามตรงว่าอายเหมือนกันผมสองคนยังไม่เคยบวช ด, ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ไม่เคยเรียอะไรเลย นายเชี่ยวออกตัวเขาเพิ่งจะอายุ18ปเท่านั้นจะให้ทำหน้าที่ทายกเข้าอายพวกสาวๆเหอะหน้าก็ฝึกไว้ก่อนไงละ่ะพอบวชจะได้ไม่รู้สึกเก้อเขินอย่างข้าเนี่ยไม่เคยฝึกปือมาก่อนเลยทำไม่เป็นท่านหาทางออกให้ตัวเองลุงพี่พูดเอาแต่ได้รู้งี้ผมไม่มาด้วยก็ดีหรอก นี่ถ้าไม่เห็นแก่หลวงพ่อช่อผมไม่มาเด็ดขาดนายชานช่วยพี่ชายเถียงข้าก็มาเพราะเห็นแก่หลวงพ่อช่อเหมือนกันถ้ารู้ว่าเองสองคนเป็นอย่างนี้ข้าจะไม่มาให้เสียเวลาดูเอาเถอะข้าต้องนั่งสู้แดดสู้ลมมากับพวกเองร้อนหัวจะแตกอยู่แล้วพวกเองมีผมและยังมีภักเขาม้าพวกหัวส่วนข้าไม่มีอะไร ส่วนข้าไม่มีสักอย่างนายหลอรู้สึกรำคาญที่คนกับพระมานั่งเถียงกันแต่ก็อดเข้าข้างพระไม่ได้หน้าและศีรษะของท่านออกแดงๆเพราะกราแดดนี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะได้ฉันเพนหรือเปล่าความสงสารพระจึงพูดตัดบทว่าเอาละเอาละผมจะเป็นคนเรียกรายเอง ปู่ผมเคยเป็นทายกมาก่อนผมจะลองเดินตามรอยเท้าปู่ดูสักครั้งว่าแล้วเขาจึงนําเรือไปจอดที่หน้าตลาดลุกขึ้นยืนประกาศก้องพ่อแม่พี่น้องชาวภัยกองดินที่เคารพรักผมนายหล่อลูกชายนายเหลาล้านชายนายหลอมจะมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องพวกผมมาจากวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีลุงพ่อช่อผู้เป็นสมภาร ท่านใช้ให้มาเรียลรายเงินและข้าสารจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะนำไปเป็นทุนในการสร้างพระอุโบสถวัดพรมบุรีอยู่สิงห์บุรีและทำไมถึงมาสุพรรณบุรีละ่ะหรือว่าคนเมืองสิงห์เขาไม่ทำบุญกันแล้วสิงห์หนึ่งถามขึ้นนายหล่ออึกอักด้วยไม่รู้จะตอบอย่างไรนายเชี่ยวจึงช่วยตอบว่าคนเมืองสิงห์เขายังทาบุญกันอยู่ครับ แต่หลวงพ่อชอบท่านเป็นคนที่นี่ท่านก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวภัยกองดินซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับท่านได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเกิดชาติหน้าจะได้มาเป็นญาติกันอีกถ้าท่านมันทําบุญบริจาคทานชาตินี้ท่านก็จะร่ํารวยชาติหน้าก็จะได้เกิดในสวรรค์ไปเป็นญาติกับหลวงพ่อชอบบนสวรรค์โน้นเชิญครับท่านจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เป็นข้าวสารก็ดี หรือจะทั้งเงินทั้งเข้าสารก็จะยิ่งได้บุญมากล้นขณะที่นายหล่อกับนายเชี่ยวประกาศเรื่อไรอยู่นั้นพระเจริญก็กำหนดจิตแผ่เมตตาโดยใช้คาถาของพระพุทธเจ้าที่ยมยายเคยสอนคือคาถากรณียะเมตสูตรปรากฏว่าผู้คนทยอยกันมาทำบุญไม่ได้ขาดกระทั่งได้เข้าสารครึ่งลำเรือส่วนเงินนั้น ยังไม่มีเวลานับแต่ก็คงจะได้มากเหมือนกันเพราะมีผู้บริจาคคนละตั้งแต่หนึ่งบาทไปจนถึงสองตำลึงคร้นได้เวลาเพนสตรีวัยกลางคนก็เข้ามานิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมาชันเพนที่ร้านอีชั้นก่อนเถิดเจ้าค่ะอีชั้นให้ลูกจ้างจัดเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้สำหรับอัตมาเท่านั้นหรือ เจ้าค่ะก็พระคุณเจ้ามารูปเดียวนี่เจ้าคะแต่อัตมามีลูกศิษย์มาด้วยสามคนท่านนิมนต์อัตมารูกเดียวอัตมาคงชันไม่ลงในเมื่อลูกศิษย์เขายังหิวอยู่ท่านตั้งใจว่าหากจะต้องอดก็จะอดด้วยกันการเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวท่านจะไม่ทำเป็นอันขาด แม้พระคุณเจ้าช่างมีเมตตาเหลือเกินดูร้อุสาเป็นห่วงลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะอาหารการกินของอีชัน้นอุดมสมบูรณ์อีชั้นจะเลี้ยงผู้เขาให้อิ่มมีพรีมันไปเลยนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนเถอะเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะเลยเวลาพระเจริญจึงให้ในายหล่อผูกเรือไว้ให้ในายเชี่ยวเป็นคนถือบาตใส่เงิน และจึงพากันขึ้นจากเรือสตรีผู้นั้นเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงนางจัดอาหารไว้เสร็จสับพทั้งต้มแกงและของหวานวางเรียงรายอยู่บนโตะ๊ะสามีของนางเป็นคนประเคนแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆฉันพัฒนาหารเสร็จและให้ศีลให้พรเจ้าภาพผู้ใจบุญแล้วพระเจริญนั่งคุยอยู่กับเจ้าของร้าน เพื่อรอชายหนุ่มสามคนรับประทานอาหารสามสิบนาทีให้หลังทุกคนก็เรียบร้อยและพร้อมที่จะออกเดินทางไหว้าลาเจ้าของร้านผู้อารีพร้อมคำขอบคุณแล้วจึงเดินตามภิกษุหนุ่มไปลงเรือสามีเจ้าของร้านเดินไปส่งถึงเรือมือหนึ่งหิ้วเข้าสารผงเขื่องตั้งใจจะทำบุญสร้างพระอุโบสถ ส่งถุงเข้าสารให้ในายหล่อแล้วควักเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อนับได้สองตำลึงยกขึ้นจบแล้วจึงใส่ลงในบาทขออนุโมทนาและขอขอบใจโยมที่ได้ช่วยกันจันโลงพระศาสนาขอให้เจริญสุขนโยมนะพระหนุ่มให้พร อ, อีกครั้งบุรุษไวกลางคนประนมมือน้อมรับอย่างยินดี เมื่อท้องอิ่มชายหนุ่มทั้งสามก็พร้อมที่จะทำงานพวกเขาปักหลักเรียรายอยู่ที่เดิมสักครู่พอคนสา จ, จึงล่นเรือต่อไปผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำไม่ค่อยจะสนใจทำบุญกันนายหล่อถึงกับปนอุบคนแถวนี้ทำไมไม่ชอบทำบุญนะั่นหลวงพี่ผ่านมาตั้งหลายบ้านเห็นเขามองดูเฉย สงสัยเขาจะเป็นมุสลิมดูการแต่งตัวสิพวกผู้ชายเขาจะนุ่งสโรงและใส่มัว่วมุสลิมเขาไม่ทำบุญหรือครับถามอย่างสงสัยเขาไม่ทำบุญกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาของเขาก็มีทำบุญเหมือนกันเรียกว่าสะกาดจะเรียกว่าทำบุญก็คงไม่ถูกนักเพราะไม่ได้นำเงินมาสร้างโบสถ์ สร้างศาลาเหมือนของเราเขานำเงินไปแจกจ่ายคนยากจนเรียกว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสดีนะครับชาวพุทธน่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างนี้บ้างนายชานออกความเห็นเรือเล่นมาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่งมีศาลาท่าน้ำอยู่หน้าบ้านผู้ชายห้าหกคนยืนคุยกันอยู่ ดูท่าทางเคร่งขรึมพระเจริญสั่งคนขับเรือว่าเข้าไปจอดที่ศาลาท่าน้ำนั่นข้าจะขึ้นไปพักสักหน่อยบางทีคนบ้านนั้นเขาอาจจะทำบุญด้วยก็ได้นายหล่อจึงนำเรือเข้าเทียบท่านายเที่ยวอุ้มบาทเดินตามพระหนุ่มขึ้นมาบนศาลาชายห้าหกคน ที่กำลังคุยกันอยู่หันมามองคนหนึ่งถามขึ้นว่าท่านมาจากไหนอาตัมามาจากวัดพรมบุรีท่านสมภานให้มาเรียรเงินไปสร้างโบสถ์ท่านตอบคิดในใจว่าคงจะต้องมีคนทำบุญกับท่านบ้างแต่แล้วก็ใจฝ่อเมื่อบุรุษคนเดิมพูดขึ้นว่าท่านมาผิดที่ซะแล้วเทถานี้มีแต่มุสลิมทั้งนั้น ไม่มีใครเขาทำบุญกันหรอกพวกผมก็เป็นมุสลิมพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังจึงบอกสิทธิผู้ติดตามทั้งสามว่าไปลงเรือได้มาผิดที่เส้นแล้วขอบใจนายโยมที่บอกท่านหันมาขอบใจชายผู้นั้นอย่างมิทันที่นายหล่อจะนำเรือออกจากท่าชายผู้หนึ่งก็ตะโกนลงมาจากเรือนหลังใหญ่ว่า นี่พระที่อยู่ในเรือน่ะไล่ผีเป็นไหมถ้าเป็นก็นิมนต์หน่อยพระหนุ่มจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าเหมาะแล้วเราจะได้บอกบุญเรียอไรเข้าสารเรียอไรเงินไปสร้างโบสถ์กำลังหาพวกอยู่พอดีท่านคิดว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นชาวพุทธลุงพี่ไล่ผีได้หรือนายหลอดถาม ได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองดูสักตั้ง ข, ข้ามีคาถาเยอะเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมคงจะใช้ได้สักบทหรอกนาเสียงคนข้างบนตะโกนย้ำลงมาอีกว่าว่ายังไงล่ะถ้าไล่ผีได้ก็ขึ้นมาเลยอย่ามวัวชักช้าดูมันสั่งหลวงพี่แนะ่นายชานพูดฉุนฉุน พระเจริญไม่สนใจตอบคนบนเรือนไปว่านี่แหละหมอผีอัตมาจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ท่านขึ้นจากเรือมายืนบนศาลาท่าน้ำเตรียมจะขึ้นไปบนเรือนจะไว้หรือท่านระวังผีมันจะหักคอเอาหนาคนที่ยืนคุยกันอยู่ที่ศาลาท่าน้ำทักทวงผีตัวนี้มันด่มากเลย พระหนมถามเสียงสั่นจนท่านเองก็รู้สึกดุหรือไม่ดุมันก็ด่าหมอผีกระจุยมาแล้วมันเป็นผีแขกนะท่านไม่ใช่ผีธรรมดาไอ้หมอผีที่มาปราบโดนมันด่าทั้งนั้นผู้ชายอีกคนตอบคนฟังที่เป็นพระรู้สึกใจฝ่อมากขึ้นจึงซักว่าแล้วหมอเขาว่าคาถายัางไงท่านต้องการรู้ เพื่อหาทางหนีที่ไล่โอ้ยไม่ว่าจะว่ายังไงไอ้ผีมันก็ว่าได้หมดหมอว่านโมผีมันก็ว่านโมไหวติปิโสผีมันก็ว่าอิติปิโสชายคนเดิมตอบถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ผีแขกกระมังอาจเป็นผีพระมาเข้าก็ได้เคยมีนะหลวงพี่เพื่อนผมถูกผีพระเข้าแม่มันสวดมนต์คืนยันรุ่งเลย พอผีออกนะโมมันยังว่าไม่ได้เพราะไม่เคยสวยดในหล่อล่าประสบการณ์ของตนเมื่อสองปีก่อนเอนี่เราจะเอาคาถาบทไหนดีจะเอาบทไหนถึงจะปราบเจ้าผีตัวนี้ได้พระหนุ่มครุนคิดความกล้าปเปลี่ยนมาเป็นความกลัวท่านอย่าเสียงเลยผมว่าท่านกลับไปเถอะ ดีไม่ดีผีมันหักคอเอานะปุรุษนั้นเตือนพระหนุ่มถึงกับขนลุกใครบ้างจะไม่กลัวตายถึงจะเป็นพระก็ยังกลัวตายเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปแต่ครั้นจะหันหลังเดินกลับก็จะเสียเชิงชายท่านตกที่นั่งลำบากเสียแล้วทางที่ดีที่สุดคือต้องขอความคุ้มครองจากลูกศิษย์สามคน คิดดังนี้จึงกระซิบกับนายเชี่ยวนายชาญและนายหล่อว่านี่ถ้าข้าถูกผีเล่นงานพวกเอ็งต้องช่วยนะมีดหมอข้าก็ไม่มีหมายเป็นร้ายหลวงพี่ไม่ต้องกลัวพวกผมช่วยแน่นายหล่อพูดอย่างไม่สะทกสะทานนายเชี่ยวพูดเสริมว่าเราสามคนขอถวายชีวิตให้หลวงพี่ถ้าตายก็คงไม่ตกนรกมั้ง เห็นลูกศิษย์รับปากรับคำแข็งขันเช่นนั้นคนเป็นพระค่อยคลายความกลัวดูรูปร่างเจ้าสามคนก็ล่ำสันแข็งแรงคงจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับเจ้าผีนั่นได้กระมังพระเจริญเดินนำหน้าชายหนุ่มสามคนขึ้นบันไดชายห้าหกคนพากันหลีกทางให้คนที่นิมนต์พาท่านเข้าไปนั่งข้างในผู้คนแน่นขนาดไปหมด พระหนุ่มรู้สึกใจเต้นตุบตุกหากก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าปราบผีสําเร็จก็จะได้เงินกับข้าวสารไปสร้างโบสถ์เมื่อกี้นายชานนั่งนับเงินมาตามทางได้ถึงร้อยช่างถ้าได้อีกสักร้อยช่างก็คงจะพอดีเงินร้อยช่างอยู่ในย่ามท่านแล้วจึงไม่ต้องห่วงเรือที่จอดอยู่ศาลาท่าน้ํา บาทที่อยู่ในเรือมีเศษเงินอยู่ไม่มากถึงหายก็ไม่เป็นไรผู้ชายสองคนนั่งอยู่กลางวงคนหนึ่งอายุประมาณห้าสิบกำลังประนมมือว่าคาถาสักเคกาเมจรูปเปส่วนคนอายุประมาณย0สิบมีผ้าขาม้าพาดบ่านั่งหน้าบูดบึง้งชี้หน้าด่าคนที่ว่าสักเคพระเจริญคิดว่าคนด่าคือหมอผี ส่วนคนว่าสักเคคือผีไอ้หมอบากูไม่กลัวมึงหรอกมึงว่าสักเคกูก็ว่าได้คนหนุ่มกว่าที่หน้าด่าคนอายุประมาณห0สิบพระเจริญชักสงสัยว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีกันแน่ทางที่ดีคือต้องดูต่อไปแล้วมึงจะเอาคาถาไหนละ่ะไอ้ผีบากูว่ามาตั้งหลายคาถาแล้ว มึงก็ว่าได้นี่กูหมดความสามารถแล้วนะคนอายุมากกว่าพูดโกรธโกรธพระเจริญนึกในใจว่าเอผีก็มีคาถาด้วยสงสัยคงเป็นผีเลี้ยงคนเลี้ยงคงสอนคาถาให้มันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คนถูกด่าหัวเราะก้องนั่งข่ยห้างกระดิกเท้าใส่คนด่า ถึงตอนนี้พระหนุ่มรู้แล้วว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นหมอผีถ้ามึงจะให้กูกลัวต้องใช้คาถาเมตตาของพระพุทธเจ้าเว้ยคาถาบา้บาๆพวกนี้กูไม่กลัวหรอกต่อให้มึงมาอีกร้อยคาถากูก็ไม่กลัวหมอผีถึงกับเกาหัวยิกถามว่าคาถาของพระพุทธเจ้าบทไหนล่ะอิติ ป, ปิโสก็คาถาพระพุทธเจา้าทําไมมึงไม่กลัว ไอ้หมองโงก็คาถาที่พระพุทธเจ้าให้พระไปแผ่เมตตาให้ผียังไงละ่ะไม่มีอะไรดีเท่าเมตตาผีตอบอ๋อคงจะเป็นกรณียะเมตตาสูตรนั่นเองยมย้ายเคยสอนเราไว้ถ้าว่าคถาบทนี้ได้ผีก็รักหมาก็รักเราเคยพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วพระหนุ่มคิดแล้วจึงท่องคถากรณียะเมตตาสูตรในใจเมื่อจบหนึ่งเที่ยว ก็บริกรรมเฉพาะหัวใจของคถาบทนี้คือเมตตันจะสัพโลกสมงมานะสัมภาวะเยอปะริมานังท่องอยู่เก้าจบเจ้าผีก็หันขวับมาทางท่านลุกขึ้นไปหยิบเสือมาปูเอาพระขมาพาชเฉวียงบ่าแล้วก้มลงกราบเบญจงังฆาประดิษฐ์สามครั้งพูดว่านิมนต์พระคุณเจ้าจกค่ะ ผู้คนที่มุงดูกันแน่นขนัดพากันแปลกใจในอากับกิริยาของผีต่างมองหน้ากันเลือกลักเจ้าหมอผีได้ทีจึงชี้หน้าพระเจริญท่ามกลางความชะงนสนเท่ของคนที่รุมล้อมนั่นไงเจ้าของผีมาแล้วไอ้พระองค์นี้แหละเป็นเจ้าของผีที่เอาผีมาเข้าไอ้ศพ พระเจริญเองก็ ง, งุนงงต่อคำกล่าวหาอย่างมิทันที่จะพูดอะไรออกมานายหลอกก็ฮึดฮัดยืนขึ้นทีหน้าหมอผีเบิงอย่าพูดช่วยๆแบบนี้นะเห็นลุงพี่กูเป็นเจ้าของผีไปซะแล้วเสียท่าหมดลุงพี่เรากลับกันเถอะเขาหันไปบอกพระเจริญหมอผีไม่ยอมแพ้พูดด้วยเสียงดังก้องว่าในพระองค์นี้มาจากไหน ต้ององค์นี้แหละที่เอาผีมาเข่าไม่งั้นผีมันจะยอมสยบเหรอนายหล่อเป็นคนเลือดร้อนเขปาปาดเขาใส่หมอผีมือหนึ่งคว้าคอเสื้ออีกมือกำมัดแน่นจ่อที่ใบหน้าของหมอผีถ้ามึงใส่ร้ายหลวงพี่กูอีกคาเดียวกูชกจมูกมึงหักแน่เจ้าหมอผีถึงกับตาค้างพูดไม่ออกอยากเรียกให้คนช่วยแต่ก็กลัวกำปั้น ที่จ่ อ, อยู่ตรงปลายจมูกถึงอย่างไรเขาก็ต้องเสียเปรียบเพราะเจ้าหมอนี่ดูล่าสันกว่าและหนุ่มกว่าทางที่ดีคือนิ่งเข้าไว้นายหล่อเห็นดังนั้นจึงประกาศเสเองว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักผมชื่อนายหล่อลูกชายนายเหลาหลานชายนายหลอมผมมาจากวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะมาเรียลรยเงินและข้าสารไปสร้างโบสถ์ ท่านสมพานชอท่านเป็นคนพื้นบ้านนี้ท่านใชใ้ผมมากับลุงพี่เจเริญและลูกศิษย์ผมสาบานว่าลุงพี่ของผมไม่ได้เป็นเจ้าของผีอย่างที่ไอ้หมอบ้ามันปรักปรมไม่เชื่อท่านจะถามผีดูก็ได้เขาโยนกลองไปให้ผีจริงครับผียอมรับแต่โดยดีแล้วอธิบายต่ออีกว่าผมกับพระคุณเจ้ารูปนี้ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไอหมอผีมันไม่มีปัญญาปราผมมันจึงใส่ร้ายป้ายสีพระกุณเจ้าพ่อแม่พี่น้องโปรดอย่าไปฟังมันขอให้เชื่อผมถึงผมจะเป็นผีแต่ก็มีสัจจะผมไม่โกหกตอนแลเหมือนไอ้หมอผีผู้นี้หรอกผีที่หน้าคนเป็นหมอผีนายหล่อเห็นหมอผีสิน้นฤทธิ์จึงปล่อยมือที่จับคอเสื้อแต่ข้างที่กำมัดอยู่เขายังไม่ยอมคลายออก เพราะต้องการขู่ให้ฝ่ายนั้นกลัวจำไว้นะถ้ามึงแผลงฤทธิ์อีกเป็นต้องโดนหมัดกูแน่หมอผีหน้าจอยลงไปถนัดได้แต่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนายหลอ่อยังนั่งคุมเชิงอยู่แม้จะไม่ได้เอากำปั้นจอดที่ปลายจมูกเขาแล้วเรื่องมันไปยังไงมายังไงกันไหนโยมช่วยเล่าให้อัตมาฟังหน่อยสิ พระเจริญพูดกับผีได้ครับพระกุญเจ้าผมจะเล่าอย่างหมดปลึกเลยทีเดียวคนเป็นผีประนมมือขณะที่พูด